เรื่องวัดวาศาสนาพี่น้องประชาชนญาติโยมกระทงอาศัยวัดวาศาสนากล่อมเกลาหรือขัดเกลาเรื่องศิลธรรมเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจแต่หากว่าพวกเราไม่มีวัดวาศาสนาก่อมเกลาเป็นยังไงแต่ตามไม่จริงบ้านอื่นเมืองอื่นเขาหลักไม่มีวัดวาศาสนาเขาก็ยังอยู่ได้ก็ใช่เขาก็อยู่ได้วัฒนธรรมของเขา เขาก็ต้องมีกฎเกณฑ์ของเขาอีกขึ้นมาแต่ถึงยังไงคนชาวโลกเขาก็บอกว่าวัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมที่อ่อนน้อมที่ว่าอ่อนน้อมได้ก็เพราะอะไรก็หลักของพระพุทธศาสนาให้รู้จักวั ย, ยวุฒคุณวุฒิปฏิบัติตนต่อผู้วั ย, ยวุธิทำยังไงปฏิบัติตนกับผู้สูงอายุทำยังไงปฏิบัติกับผู้น้อยทำยังไง ปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ทำยังไงอันนี้ว่าวั ย, ยุวุธิคุณวุฒิพระพุทธศาสนาสอนเน้นหนักไว้หมดให้รู้จักประมาณตนพูดจาพาทีอะไรก็ตามก็ต้องมีสัมมาคระวะเป็นเบื้องตน้นไม่ใช่ว่าพูดพร่ำไปหมดเลยมันก็ไม่ได้แล้วค่อยมาเสียอกเสียใจหรือจะมาลูบหลังภายหลังมันก็ไม่ถูกเมื่อเป็นผู้ใหญ่ เราก็พูดกับผู้น้อยทำยังไงไม่ใช่ว่าด่าไปเลยโดยที่ไม่ได้คิดเรื่องราเป็นยังไงอันนั้นก็ไม่ถูกแต่ถ้าว่าไม่พูดไม่กล่าวไม่ด่าเอาไว้ไม่ปลามาไว้ก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวมันพยองพองตัวลืมตนอีกเกลียบไปหมดไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องได้คิดไว้หมดถ้าว่าผู้ใช้ปัญญาที่อยู่ด้วยกัน ในหลักของพระพุทธศาสนาแต่โดยมากหลวงพ่อได้สังเกตดูนะคนมีปัญญาจะเป็นลักษณะคนขี้โกรธคนมีปัญญาจะเป็นลักษณะคนขี้โกรธถ้าคนงงๆซื่อๆเซื่อๆเนี่ยจะไม่ค่อยโกรธใครถ้าโกรธออกมาก็มันก็ไม่น่านดูอีกเพราะนั้นมันก็เลยไม่โกรธแต่ว่าคนตัวเองมีปัญญาเห็นว่าคนอื่นทำกงุ่มง่ามก็เลยไม่พอใจ ง, ง่ี แต่ตามให้จริงมันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันแต่ตามให้จริงโลกทั้งนี้จะให้มันฉลาดเหมือนตัวเองทั้งหมดมันก็เป็นตัวเองทั้งหมดมันก็จะไม่มีคนกวาดถนนมันก็จะไม่มีลูกน้องจะไม่มีคนสร้างบ้านเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งหมดด้วยกันเดี๋ยทำยังไงคนนั่นกันายกคนนี้กับนายกต่างคนก็งานนายกทั้งหมดเดี๋ยวทำไงไม่มีใครทําอะไรให้แก่ใครเพราะนั้นมันก็นต้องแยกแยะออกว่า คนเราเนะี่ยมันต้องมีโง่มันต้องมีฉลาดถ้าเขาจะงุ่มง่ามบ้างก็ไม่เป็นไรถ้าเขาฉลาดก็เหมือนกับมันก็คงจะเหมือนกับเราทุกคนนะนนี้เราก็ต้องรู้จักแบง่งแบ่งในใจของเราแต่เราอย่าไปพูดออกนะถ้าพูดออกไม่ได้ถ้าพูดออกไปล่ะเราเนะี่ยจะเป็นคนโง่อีกคนหนึ่งเหมือนกันแต่อยู่ในใจแต่หลวงพ่อสอนให้พวกเราที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ คิดอะไรให้คิดอยู่ในใจอย่าปล่อยวางก็เหมือนกันเขาว่าปล่อยวางปล่อยวางควานี่งเราจะไปคิดว่าเราปล่อยวางทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวเขาจะจัดการกับเราเนะี่ยปล่อยวางอะไรใช่ไหอพอเขาขโมยสิ่งของไปล่องห่มล่องให้ฮรบไมเห็นมันปล่อยวางที่ตรงไหนฮะใหยแต่ตามที่จริงเขาว่าปล่อยวางคํำนี้คือปล่อยวางในใจไม่ต้องพูดออกอืมเราเอ้ยร่างกายสังขารเนี่ยนะ เธอจะไม่อยู่ถึงร้อยปีนะอีกสักวันหนึง่งเธอจะต้องทิ้งนะทรัพย์สมบัติไม่ต้องพูดถึงขนาดร่างกายของแก่แก่ก็จะทิ้งอยู่แล้วเพราะนั้นยศถานรดาศัก์เงินคำทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงมันไม่ใช่ของแกนะขนาดร่างกายเขาก็จะไปเผาไฟทิ้งอยู่อีกสักวันหนึ่งนะจริงหมายใจถามใจตัวเองนะใจมันก็ปล่อยวางที่ใจตนเองปล่อยวางที่ใจตนเองเท่านี้ก็สิ่งอื่นที่มันจะเกิดขึ้นมา เราก็ทำใจได้ทีนี่คือมันจะไม่รักเกินไปไม่โกรธเกินไปไม่โลภเกินไปไม่โมโหโทโสเกินไปเพราะเหตุไรเพราะมันวางอยู่ในใจมันรู้จักประมาณตนอยู่ในใจถ้าคนไม่รู้จักปล่อยวางในใจนั่นแหละทีนีแต่เราไปพูดทางนอกไม่ได้ถ้าพูดขืนพูดเข้าไปก็นั่นแหละเขาตลบหลังเขามาร้องหมร้องให้ไม่รู้จักหยุดเพางั้นเดนี่แหละในหลักของพุทธศาสนามีหลายขั้นตอนนะมีหลาย ระดับเพราะงนันเด็เราจะนํามาพิจารณาอยู่ในระดับไหนการเป็นอยู่ร่วมกันกับมนุษยชาติอย่างในครั้งพระพุทธเจ้าเหมือนกันมันไม่ใช่แต่ครั้งนี้นะครั้งพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะั่นแหละภาษาริบุตรไปฉันที่บ้านของ พ, าาา พ, านนพราหมณ์เขาว่าพราหมณ์คนนี้แหละภาษาริบุตรเขาว่าเนี่ยเขาว่าภาษาริบุตรไม่โกรธจริงไหมภาษาลิบุตรเราจะโกรธไปทําไมโกรธไม่โกรธ ก, ก็มีเท่าเก่าท่านไม่เห็นจะโกรธ แต่พามคนทดลองเลยเอาชี้ไม้ไผ่ตีหลังภาษาลิบุตรเออภายลิบุตรก็เฉยไม่โกรธแต่ลูกศิษย์นี่ที่ไหนแต่มันโกรธแทนเลยเขาจะจัดการกับลูกกับพรามคนนั้นทีน้เออจนถึงภาษาลิบุตรได้ไปห้ามเอาไว้หยุดนะอันนี้เป็นเรื่องของเราพวกท่านทั้งหลายอันนี้เป็นเรื่องของเราหยุดนะ้านะถ้าใครไม่หยุดไม่ใช่ลูกศิษย์ของเราเออ เพราะนั้นพวกลูกศิษย์จะไปฆ่าพราหมณ์คนนั้นอีกต่างหากไงอันนี้ก็เคยมีในครั้งพุทธเจ้าพราหมณ์ท่านก็ น, ก น, นับถือเลื่อมใสโอ้โหภาษาริบุตรจักใจจริงๆท่านไม่โกรธจริงๆไงอย่างที่เขาล่ําลือจริงๆไงที น, นี้ก็บางทีท่านก็ไปฉันที่บ้านของเขาอีกฉันก็เขาก็ด่าต่อหน้าต่อตาท่านท่านก็เฉยท่าถามว่าทําไมท่านถึงไม่โกรธท่านทําไมจึงไม่โกรธ พันธุ บ, บอกว่าไปโกรธทาไมเหมือนกับโยมเห็นไหมนะถ้าว่าอาตมามาที่บ้านของโยมโยมเอาน้ำของมาตอนรับขับสู้ถ้าอาตมาไม่รับเสอย่างเดียวนั่นะเป็นของใครใช่ก็เป็นของเจ้าของบ้านเออนั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้าว่าคุณด่าเราเราไม่รับเสความด่าทั้งหลายทั้งปวงเป็นของคุณอีกอย่างเก่านั่นแหละเรางั้น ถ้าเรารับก็เป็นของเราพอเรารับเราโมโหตอบแทนก็เป็นว่าเรารับแต่เนี้ยเมื่อเราไม่รับล่ะก็เป็นของคุณอย่างเก่าพอท่านเราไม่รับลับไปทำไมโมโหเป็นของไม่ดีอยู่แล้วนะี่ยอันนี้ก็คือในครั้งพระพุทธเจ้าที่ท่านเขียนไว้ในตำรับตำรามาพิจารณาดูแล้วมันก็จริงนะและอีกส่วนหนึ่งมีนางพรามณีคนหนึ่งไปฟังเทศพระพุทธเจ้า พอไปฟังเทศเขาได้สําเร็จพระโสดาบันเขาก็นับถือพระพุทธเจ้าอยู่อย่างลึกๆแต่สามีของเขาเน่ยไม่เข้าวัดเหมือนกันเถอทีนี้ไม่นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่นางนี่นะนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างลึกซึ้งพราเขาเป็นพระโสดาบันแล้วนะเวลาเขาเจาเฟ็ดนี่ยโมตัสสะพระเขาวาโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมเลยพระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเวลาเขาไอแฮมเลยนี่โดยไอขึ้นมาหน้นโมตสสะพระเขาว่าโต เ, เวลาเขาหกล้มก็เหมือนกันหกล้มลงไปเด็กเขาเกิดน้โมตสสะพระเขาว่โตอีกคล้ายๆกับว่าล้ำลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างนั้นเด็กที่ตัวเองทําพลาดท่าเสียทีอะไรลงไปน่งแต่วันนั้นทลเนี่ยพราหมณ์สามีเนี่ย เลี้ยงพราม์เลี้ยงพรามก็เหมือนกับเชิญพรามณ์ผู้มีเกียรติอย่างนั้นแหะแต่เป็นศาสนาคริสต์ชื่อว่าพระในศาสนาคริสต์มาทานอาหารที่บ้านอย่างนั้นแหะถ้าเป็นอิสลามก็พวกเลี้ยงอิมามอะไรลักษณะอย่างนั้นะเชิญมาแล้วก็มาเลี้ยงอาหารแต่นี่ก็พราหมณ์กำลังจัดเลี้ยงพราหมณ์อยู่อย่างนั้นแต่นางพรามณีก็ถือจานไปหกล้มเลยนี่จานหลุดมืออ่างนั้นแต่ กำลังเสิร์ฟอาหารช่วยสามีกับคนในบ้านพอตกปั้งลงไปนางก็เนีน้โมตัสคาเขาว่าตัวราตโตสัมมาสัมพุทธัสการทีนี้มันวงแตกเลยสที่นี้ใช่ไหมเอ่พ่อตัวเองพรามเลยไปไ ป, ไปเลี้ยงาศาสนาอื่นพร้อมเมียแม่บ้านเนี่ยนอบน้อมพระพุทธเจ้าที่นี้เอ่พรามกันเลยเฮ้านี่ยขายหน้าจริงๆอีกมันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งแหละครับนะเมียของผมเลยเวลาอะไร ลนตกลงมือเมื่อไรเอไอจามเมื่อไรมันก็พูดอย่างนี้แหละเนีมันจะระลึกถึงสัมมณะหัวล้นของมันตลอดเวลาให้ครๆบ่าผัวไม่รู้จะทํำยังไงเออพอเมียขายหน้าเอางั้นเถอะผัวนิจุดก็เลยเอาเถอะพอเลี้ยงพราม์จบแล้วใช่ไหยเราจะไปถามสัมปณะหัวล้นของแกจะตอบเราได้ไหมทางนางนี่ก็บอกว่าไปเลยเชิญไปเลยฉันมองแล้ว ในจั ก, กรวาลเนี่ยไม่มีใครที่จะไปตอบโต้ครับศาสนาของฉันได้หรอกพระพุทธเจ้าของฉันเลิศประเสริฐที่สุดทีนี้ก็พราหมณ์แล้วก็เลยไปหาโอกาสไปไปก็ไม่เคารพอีกต่างหากแกไปก็ยืนยืนอยู่ข้างๆถามสมณะโคลมท่านว่าการชำระอะไรการฆ่าอะไรที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดให้ข้าวมัมีเทคนิคในใจถามเหมือนกันนะ พระพุทธเจ้าทั้งบอกว่าการฆ่าความโกรธดีที่สุดถ้าหาว่าคนมีความโกรธอยู่ในใจคนนั้นจะเป็นผู้เศร้าหมองเศร้าหมองในใจลึกๆเพราะว่ามันมีมนทินเพราะฉะนั้นการฆ่าความโกรธดีที่สุดนักปราชญ์ทั้งหลายสรรเสริญในการฆ่าความโกรธความโกรธเนี่ยลากมันเป็นมันเป็นพิษลากมันเป็นพิษแต่ยอดมันหวาน พระพุทธเจ้ายอดมันหวานแต่หลักมันเป็นพิษเพราะนั้นผู้ใดก็ตามชนะความโกรธหรือฆ่าความโกรธได้อยู่เป็นสุขไม่เศร้าโศกอีกต่างหากพรามแล้วเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสพระพุทธเจ้าว่าผู้ใดก็ตามมีขันติคือความอดทนแล้วก็ไม่โกรธผู้นั้นแลเป็นผู้มีกําลังมีกําลังพลอีกต่างหากมีกําลังอยู่ในจิตใจต่างหาก เพราะนั้นต้องต้องดูต้องดูใจอย่าให้มีความโกรธเยียบย่ำทำลายใจตัวเองแต้พอจากนั้นพามคนนี้ก็เลยเกิดความเคารพเลื่อมใสนับถือขอบวชเพราะงั้นแตอพอบวชพามไม่นานท่านได้สำเร็จเป็นพระรห น, น้องชายคนที่สองมาไดาอ้อีกพวกพุทธเจ้าเทศให้ฟังอกีกยอมอกีกพี่น้องสี่คนหอสงสยัยตระกูลนัตระกูลขี้โมโหหลวงพ่อว่านะ มีพี่น้องสี่คนเป็นผู้ชายมาดาพวกพุทธเจ้าทุกคนเลยไม่มีเหตุมีผลตามที่จริงก็นอานจะมาสักไซไลเลียงถามเขาไม่พอใจแบบนั้นเลยที่เอาพี่ชายบวชไปแบบนั้นเลยแต่พอพวกพุทธเจ้าพูดให้ฟังเท่านั้นแนหะพิจารณาอูชย่ยที่พวกพุทธเจ้าพูดถูกจริงๆริเลยคนที่มีอารมณ์โมโหในจิตในใจจิตใจมันขุนมัวแล้วมันจะหาความสุขในที่ไหนเสียใจภายหลังอีกต่างหากมีความเศร้าโศกในใจอีกต่างหาก เพราะนั้นการไม่โกรธนี่ดีที่สุดต้องมีเหตุผลที่ก่อนที่จะคิดจ ะ, จะทําอะไรก่อนที่มันจะโกรธก็รู้อะอย่าโกรธนะอย่าโกรธนะต้องรู้ไว้ก่อนเนีเพราะนั้นสีพี่น้องก็ได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยกันบวชในพระพุทธศาสนาเนี่นี่แหละความโกรธไม่เป็นผลดีสําหรับพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าท่านว่าแต่หลวงพ่อได้สังเกตดูนะคนที่มีปัญญาชอบมีขี้โกรธปัญญากับโกรธมันไปด้วยด้วยกันคือใจมันเร็วนะกระแสใจมันเร็ว มันพุ่งจุดอกไปเลยโดยมากมันมันห้ามไม่ทันเบรกไม่ทันเมือนนเถอะพอมันเบรกไม่ทันมันก็เลยถล่มออกไปทางอารมณ์ร้อนเหมงนนเถอะแต่เพราะนั้นพวกเราต้องสังเกตตัวเองให้มากๆถ้ามีสติถ้ามีเบรกนู่ดอยู่ในจิตในใจแล้วจะคิดอะไรออกมาจะพูดอะไรออกไปจะแสดงอะไรออกไปเนี่ยต้องให้หลอบขอบไปอยู่ในสถานที่ใดอยู่กับใครมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุข แต่ทางว่าเรามีแต่ปล่อยหมัดปล่อยมวยออกไปปล่อยวาจาออกไปเอออมขี้เป่าออกไปมันขี้คืออะไรขี้โกดเออมขี้เป่าออกไปก็คือขี้โกดออกไปเออถ้าอมขี้ออกไปขี้โลภเอออมขี้หลงอืสรุปแล้วก็คือในตัวของเรามีแต่ขี้เพั้นแต่เนี่อขี้โลภขี้โกดขี้หลงอยู่ในจิตในใจเพราะนั้นเราจะชําระ กายใจของเราได้ด้วยอย่างไรเนี่ยต้องใช้ธรรมะเข้ามาชำระจิตใจจึงจะหายโลภโกรธโกรงเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดพองขึ้นมาได้แต่ถ้าใจบริสุทธิ์ใจหมดจดจากกิเลสนั่นะอยู่สถานที่ใดอยู่ที่ใดนที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขณสถานที่นั้นๆในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้ว่าพระอรหันต์อยู่ณสถานที่ใดที่นั่นแหละเป็นที่รื่นรม พระอระหันต์อยู่นสถานที่ใดที่นั่นแหลเป็นที่รื่นรมคือพระอระหันต์คือหมดจดจากกิเลสอยู่นสถานที่ใดในถิ่นนั้นบริเวณนั้นคนกลุ่มนั้นสงบรุ่มเย็นเป็นสุขไปหมดอันนี้ก็คือพุทธภาษิตภาษิตของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อว่าพระอรหันต์เหมือนล้มไม้ต้นไม้ใหญ่อย่างลักษณะอย่างนั้นเป็นที่พึ่งพาอาศัยของสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าถึงจะดาว่ากล่าวสิ่งใดก็ตาม ต้องมีเหตุมีผลในการแนะนําสั่งสอนอย่างพระพุทธเจ้าในท่านไม่ใช่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าท่านจะไม่ว่าไม่กล่าวไม่ใช่เลยพวกเราไปอ่านดูสิในตํำรับตาําราโอ้โหบางทีประนามอย่างหนักๆเลยโมฆะภิกษุโมฆะบุรุษเธอทําไมทําอย่างนั้นการทําอย่างนั้นไม่เป็นผลดีสําหรับตัวเองไม่เป็นผลดีสําหรับชุมชนไม่เป็นผลดีสําหรับผู้เกี่ยวข้องไม่เป็นผลดีต่อหลัก การปกครองโมฆะภิษุโมฆะบุรุษเราจะประนามแล้วประนามอีกกระนาบแล้วกนาบอีกต่อพวกท่านทั้งหลายเราจะไม่ทําด้วยความทะนุถนอมเพราะว่าในช่างหม้อก่อนที่จะเป็นหม้อขึ้นมาได้ที่มันจะขังน้ำอยู่ในช่างหม้อต้องเตะแล้วเตะอีกกนาบแล้วกนาบอีกในดินเดียวนั้นจนได้ที่ขึ้นมาจึงปั้นหม้อขึ้นมาจึงขังน้า อยู่ได้อันนี้ก็เหมือนกันเราจะสอนลูกศิษย์ของเราผู้ที่จะดารงทรงศาสนาเราจะไม่ทําแบบทะนุถนอมอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้ามีในพุทธภาษิท์ที่เราได้ศึกษามาเพราะนั้นเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่านั่งเหมือนพระ ป, ประธานอย่างนี้เลยมีแต่พระ ป, ประธานของเราเนี่ยะใครมากราบยังไงก็เฉยท่านก็ไม่ว่าอะไรแต่พระพุทธรูปองค์จริงพุทธองค์จริงไม่เป็นอย่างนี้วะงั้นเถอะ ดูดาากก่าว่าเกาแนะนำสั่งสอนพวกเราเห็นไหมในพระไตรปิฎกถ้าเราศึกษาดูแล้วโอ้โหมีแต่เย้ยหยันมีแต่ด่าสังคมทั้งนั้นเลยว่างนันเถอะดึงสินห้าอย่าฆ่ากันนะอย่าขโมยกันนะอย่าประพฤติผิดในกรามนะอย่ากโกหกกันนะอย่าดื่มสุรานะถ้าจะว่าไปแล้วมีแต่สอนสังคมด่าสังคมเหมนันเถอะมนุษย์มันชอบเลยชอบฆ่าสัตว์ชอบขโมยของคนอื่นชอบประพฤติผิด ปวณีชอบโกหกชอบกินเหล้านะถ้าเราศึกษาแล้วพระพุทธเจ้าด่ า, ากาดไปหมดว่างั้นอันนี้มันด่าขั้นต้นนะต่อไปเข้าไปลึกๆศึกษาเข้าไปแล้วจะนี่โอ้ธรรมะของพระพุทธเจ้าน่าศึกษาอย่างมากว่างั้นแลก็สอนกระทั่งความคิดคิดยังไงคิดยังไงผิดคิดยังไงถูกคิดยังไงเป็นมิตรสาธิฐิคิดยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิเลยอแนะนำกระทั่งความคิดอีกต่างหาก เพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะพุทธบริษัทควรศึกษาธรรมะให้ลึกซึ้งนะวันนี้หลวงพ่อเองได้ให้แนวความคิดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเอาตอนนี้ไปรับพรอนุโมทนาให้พร